หน้าที่เบื้องต้นของเงินในระบบเศรษฐกิจข้อที่3เก็บรักษามูลค่าคือการเก็บเงินไว้ใช้ในอนาคตได้เช่นออมเงินอาจจะเป็นการฝากธนาคารการหยอดกระปุกออมสิน